ยาีเรื่องเพชรอยู่ที่หลังบ้านของเจ้ามีชายคนหนึ่งนอนหลับแล้วฝันไปว่ามีภิกษุชรารูปหนึ่งมาบอกว่า ถ้าหากเจ้าหาเพชรได้เม็ดหนึ่งต่อไปเจ้าจะได้เพชรทั้งเหมืองเพชรอยู่ในหินทรายในคลองตั้งแต่นั้นมาในสมองของเขาจึงมีแต่เงาของเพชรเขาได้ขายทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเงินหลังจากนั้นจึงออกเดินทางไปหาเส้นทางที่คิดว่ามีเพชร เดินทางฝ่าลมฝนอยู่ข้างนอกหลายปีก็ยังไม่เจออะไรที่สุดก็ท้อแท้สิ้นหวังจนค่าตัวตายวันหนึ่งคนที่ซื้อบ้านของขาวขณะที่ซักผ้าอยู่ในคลองหลังบ้านเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาปรากฏว่าผืนทรายแถวนั้นดูขาวโพลนไปหมดในทรายนั้น มีบางอย่างสองแสงสะท้อนออกมาเขาเลยขุดออกมาดูที่แท้เป็นเพชรธรรมชาติเขาจึงเอาพลั่วและตะแกรงตักทรายบริเวณนั้นมาจนหมดหลังจากที่ใช้ตะแกรงร่อนออกมาเพชรเม็ดเล็กเม็ดน้อยก็ปรากฏออกมาสองแสงแววา ว, วาววูบวาบเขาคิดในใจว่า จะคงเดิมช่างแสนลำบากที่ต้องเดินทางออกไปหาเพชรที่สุดก็ไม่ได้ที่แท้เพชรก็อยู่ที่หลังบ้านของเขานั่นเองหลังจากนั้นเขาก็ได้นำเพชรเม็ดใหญ่หลายเม็ดไปถวายพระราชาพระราชาเลยแต่งตั้งให้เขาเป็นอมาต์ใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาก็มีชีวิตยอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขหากเปรียบเพชรประดังความสุขที่แท้จริงก่อนจะเที่ยวหาเพชรภายนอกท่านหาเพชรที่อยู่ใกล้ตัวเจอหรือยัง